เอ่อทักทั่วอานทั้งหลายหรือว่าท่านผู้ฟังที่รักสําหรับตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเสาตกน้ํามันต่อไปเป็นว่าคุณหลานกับคุณป้าเรียกว่าคุณหลานก็คือคุณจุลัยคุณ หลังจากนั้นป้ากับหลานก็นั่งคุยกันต่อคุณหลานก็ถามคุณป้าว่าคุณป้าเจ้าคะว่าท่าน เขาบอกว่าเจ้าของบ้านชื่อคุณเฉลิมคงทองน้าสิคุณอาจจะฟัง สำหรับเจ้าของบ้านคนนี้เดิมทีถือคริสต์ถือศาสนาคริสต์ต่อมาก็ถือก็มีความสนใจในศาสนาพุทธแล้วก็ dat ik het niet heb gezegd. Ik heb het gezegd. Ik Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. ก็มีคนส่วนใหญ่ในคณะคุณเถิดเขาร่วมระถือพุทธศาสนานับร้อยคนแต่ว่าบ้านนี้เดิมที ก่อนที่จะขอพุทธศาสนาก็เหตุก็มีว่า <c oughs> สมภพปานนั้นของจริงท่านมรณภาพไปแล้ว คนไปคนมาก็ตักน้ำมนต์กินบ้างล้างหน้าบ้างก็เป็นเอกอัศจรรย์ไม่ได้เป็นคนไข้กินก็หายคนตากตกเลือดกิน <c oughs> มัดใหม่ขึ้นทุกวันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อและ <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็พามีลิเกไม่มีละครก็พอดีมีหนังดลุงลง 1 เข้ามาอาสาเล่น กินเข้าขอเข้า 1 ถังชาวบ้านก็บาทเวลา 20 บาทก็มีค่ามากเขาก็เล่นกันทุกคืน <c oughs> ดวงดาวถ้าเข้าไปติดเสาดาวหายเข้ามาสัก อาจจะเป็นอุปภาพของพ่อเรื่องก็ได้เพราะเรื่องน่ะ แต่หลวงปู่ท่านบอกว่าตัวท่านเองถ้าไม่ <c oughs> และเมื่ออธรรมภาพอย่างนั้นเกิดขึ้น <c oughs> นี่นิมนต์ไปครั้งหนึ่งบ้าง 2 ครั้งบ้างมาครั้งหนึ่งเธอรู้ Kun je leem kong thong, dan heb je je je มีบ้านหลังหนึ่งใหญ่ขนาดฉล่ายย่อมๆแต่ไม้ก็ดีมากดีเพราะอย่างยิ่งเวลานั้นไม้หาง่ายแล้วก็ไม้พิเศษนั่นคือว่าไม้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์พิเศษ <ใช>เสาทั้งหมดเป็นต้นเป็นเสาๆแต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้ส่วนๆอย่างคือ พอสร้างบ้านหลังนั้นจะขออยู่ 1 อาทิตย์คนไม่ไหวก็บ้านหลังใหม่อยู่แล้ว<เอ> ขนาดสลางเจ้านี่ย่อมก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก 8,000 <c oughs> ก็ปรากฏว่าเจ็ดคนใหญ่ๆนั่งตา ถ้าซื้อไม้ทองตลาดแต่ว่าบ้านเขาจะ 8,000 ก็เลยบอกว่าท่านก็ไปปรึกษาหลวงปู่หลวงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นก่อนก่อนละจากที่ ik ben bij Augien, ik ben Ik heb een paar Ik heb Ik heb ไปที่บ้านนั้นก็ เมื่อทําตามนั้นเจ้าของบ้านเห็นเข้าก็ดีใจว่าคราวนี้ <c oughs> ค่อยคลายคลายก็ไม่มีแต่ก็ปรากฏมีกลิ่นหอมเหมือนกับแจ๋ ก็ถามเอามาเล่าให้หลวงปู่ฟังโบบ้านใหญ่โตจริงๆไม้ดีมากแต่ว่ามีเสาทุกต้นตกน้ํามันหมด ไอ้เชิงก็มาตามเดิมทำณพนาเชิญแล้วก็มาปักแล้วก็หาหาเครื่องหอมเอาน้ำหอมมาพรมมั่งทะปิตรทะปิตรทองสมอโสมพวงมลายคาดผ้าสีแต่ว่าพอปักเสาต้นนั้นเสร็จก็ปรากฏ <c oughs> ท่านบอกว่าขอขอบใจที่เธอเมตตาฉันและรู้จักฉันถ้าต้องการให้ฉันช่วยแล้วก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันบ้านทั้งเอง <c oughs> พอใต้เช้าแล้วใหม่ให้เปลี่ยนทุกวันเจ้าของบ้านก็ยอมรับจึงก็ทําตามนั้น แต่ว่าเหตุที่จะต้องนํามาจากบ้านทางคืออย่างก็ดีหมดการปลูกผักทําสวนเขาดําเนินสะดวกเวลานั้น <c oughs> ปีนั้นเทวดานั้นจะเข้าฝันบอกเจ้าของบ้านแล้วในเมื่อเจ้า <c oughs> เราคุยกันมา 2 ตอนแล้วว่ากันถึงเผาตกตะมันอย่างเดียวแล้วอยากจะทราบว่า คุณพาดเจอตำราไม่ว่าทำไมร Forgive ทีกวัดดาจริงมีอนุฐาปมาก และあitud lambda เกิดไปได้อย่างไร คุณพาก็�רươ ещёล่ะ ความell abudraisub��� q'u q'u q'u q'u qq'u q'u qi q'u q d u o r u c vo q'u q pв a q u q k'u q qi g a u p a k u re q u q q u q d u m p a quasi u q d u a k u q q u q u q i k w арх hein ah ha ha se h S mould hs n a r a n a h a n a th y a H n a n a th y h a th y a h g i y a n a th y a th y a h a ท่านก็ถามว่าเธอทำงานอะไรได้บ้างก็ถามว่าเธอทํางานอะไรได้บ้างเค้าก็บอกทําทุกอย่างตามที่ท่าน ก็ถือขวานเข้าป่าไปตัดฟืนตัดฟืนกลับมาแล้วตอนเย็นพอถึงตอนเย็นก็ปรากฏว่าคนที่บ้านนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงแอ่กอวยใบเหมือนฉันขอข้าวฉัน เธอก็เข้าไปที่ครัวพอก็ไปถึงโรงครัวแม่ครัวจัดอาหารเฉพาะ แม้แต่เด็กที่กําลังกินนมอยู่ถ้ามหาสถียังให้บนปากได้กินน้ําน้ําผึ้งน้ําผึ้งน้ําหนองน้ํา ถ้าอยากจะรู้ก็ไปถามถ้ามหาเศรษฐีก็แล้วกันถ้าสมมติมหาเศรษฐีสั่งทุกคนก็ทําตามสั่งแต่ความรู้ไม่มีเขาอาจ <c oughs> ชายคนนั้นก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าอย่างผมเนี่ยตอนเช้าไม่ได้สมาทานอุโบสถศีลตอนเย็นจะสมาทานได้ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าถ้ารักษาเต็มวันไม่ได้ <c oughs> หลังจากท่านทรงการบำเพ็ญเมื่อเขาสามารถฉันเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเขากินแต่ข้าวเช้าแล้วกินข้าวกลางวันที่ นำอาหารที่มีรสเลิศหายอย่างไปให้กินก็กินซะเถอะวันอื่นๆ ถ้ามหาเศรษฐีจะแท่นเท่าไหร่เค้าก็ <c oughs> มีในเวลานั้นก็ปรากฏว่า เอ่อละ 460 ท่านนี่ก็ไปพอไปถึงต้นไม้ใหญ่มีพุ่มใหญ่ก็คิดว่าต้นไม้นี่ และมีความกระหายน้ำมีความกระหายน้ําถ้าหากว่าลุกเทวดาจะเมตตา ก็มีสระอาบน้ําได้ก็ดีเทวดาก็บันดาลสระอาบน้ําให้อาบเมื่อความประสงค์ของเศรษฐีเป็นไปตามความประสงค์ท่านก็คิดว่าเทวดาองค์นี้ ท่านลุคเทวดาท่านมีบุญญาณโนกานนิภาพมากถ้าพระเจ้าต้องการอะไร อาตหาท่านฤาษีถามอย่างนี้เทวดาก็อายที่ก็เทวดาก็บอกว่าอย่าถามผม ป้าก็บอกว่านี่ที่หลวงปู่ท่านบอกให้ฟังเล่าให้ฟังแก่คนมากๆในเวลาที่คุณ ฉะนั้นดักว่าเทวดาหรือนางฟ้าคนใดที่ท่านไปเกี่ยวของต้นไม้หรืออาศัยต้นไม้ต้นใดหรือเป็นนางฟ้าเข้าใจว่าคงจะตกน้ํามันเหมือน <c oughs> สุไลก็บอกว่าแห่คุณป้ามีความรู้เยอะหนูก็เพิ่นได้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าๆคน มันก็เข้าเวลาเลย 2:30 น. เสร็จแล้วสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่สวัสดี